อนาปฏิวานพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ179 1งิก้าูตเย็บจีวรให้พิกษุณีผู้เป็นญาติ2อพิกษุเย็บหรือใชายเย็บบริการอื่นให้นอกจากจีวร3สพิสูุเย็บจีวรให้สิกขามานา4ีพิสูตเย็บจีวรให้สัมมเนรี5้พิกษุวิคนจริต6กพิสูตต้นบัญญัติจีวรสัพพนาสิกขาบทที่6จบ